เรื่องทรงพิจารณาเวเนสัตว์เปรียบด้วยดอกบัวข้อ9ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับคําทูลอาราธนาของพรมและเพราะอาศัยพระกรุณาในหมู่สัตว์ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุขเมื่อทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในตาน้อยมีทุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการสร้าำ สอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นประโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็นประโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มีมีอุปมาเหมือนในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญธริตดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญธริก บางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำดอกอบนดอกประทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้าดอกอบลดอกประทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นพ้นน้ำไม่แต่น้ำฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นศัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในตาน้อย มีทุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นประโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็นประโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวก็มีฉันนั้นครั้นทรงเห็นแล้วได้ตรัสคาถาตอบเท้าสัมบดีพรหมว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใด จะฟังจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราได้เปิดประตูอมตะธรรมแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านพรมเพราะเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่ประนีตพล่องแทวในหมู่มนุษย์ขณะนั้นเท้าสัมบดีพรมได้ทราบว่าพระพุทธองค์ได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำ ประทักศินแล้วอันตรฐานไปณนะที่นั้นแหลพรหมญาจะนะกระถาจบ